วิธีนั่งสมาธิพึงนั่งสมาธิดังนี้เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวให้ตรงแล้วนึกเอาคาบริกรรมพุโทโธพุโทโธกำหนดไว้ที่ท่ามกลางหน้าอกคือใจอย่าให้จิตส่งสายไปมาข้างหน้าข้างหลัง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 การนั่งสมาธิจึงไม่ต้องกำหนดเวลาให้ปล่อยตามเรื่องของมันเองจิตที่เข้าถึงสมาธิที่แท้คือจิตที่เป็นเอกขตาจิตถ้าไม่เข้าถึงเอกขตาจิตได้ชื่อว่ายัางไม่เป็นสมาธิเพราะใจแท้มีอันเดียวถ้ามีหลายอันอยู่ยังไม่เข้าถึงใจเป็นแต่จิต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 เพียงแต่รู้ว่านิ่งอยู่เฉยๆไม่มีคิดนึกปรุงแต่งอะไรอีกเลยเปรียบเหมือนกับแม่น้ำกับคลื่นของแม่น้ำเมื่อคลื่นสงบแล้วจะยังเหลือแต่แม่น้ำอันใสแจ๋วอยู่อย่างเดียวสัพพวิชาทั้งหลายและกิเลสทั้งปวงจะเกิดมีขึ้นมาได้ก็เพราะจิตคิดนึกปรุงแต่งแสสายหามา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 จิตกับใจก็มีอุปมาอุปไมยดังอธิบายมานี้แท้จริงพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเทศนาไว้ลาว่าจิตอันใดใจก็อันนั้นถ้าไม่มีใจจิตก็ไม่มีจิตเป็นอาการใจไม่มีอาการ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 เป็นคำบริกรรมที่จะทำให้จิตของเราเป็นสมาธิได้แท้จริงเราอย่าเป็นลังเลสงสัยว่าคำบริกรรมนี้จะถูกกับจริตนิสัยของเราหรือไม่หนาะคำบริกรรมอันนั้นคนนั้นทาแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราทาแล้วจิตไม่ตั้งมัน่นอย่างนี้ใช่ไม่ได้ถ้าจิตตั้งมั่นแน่วแน่ในคำบริกรรม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 ประเดี๋ยวส่งไปอีกแล้วราวนี้ไปถึงครอบครัวโนนส่งไปหาลูกไปหาภรรยาไปหาสามีโนนเขาจะอยู่อย่างไรเขามีสุขภาพพลานามัยดีหรือไม่หนอได้บริโภคอาหารดีมีรสหรือไม่หนอถ้าอยู่ห่างไกลกันก็คิดถึงที่อยู่ที่นอนจะอยู่จะกินอย่างไรผู้จากไปก็คิดถึงผู้อยู่ทางบ้านผู้อยู่ทางบ้าน ก็คิดถึงผู้ไปไกลกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยกลัวคนอื่นจะมาคมเหงไม่มีผู้อยู่เป็นเพื่อนกลัวจะเหงาหงอยเป็นต้นคิดไปร้อยแปดันเก้าสุดแท้แต่จิตจะปรุงจะแต่งไปซึ่งเรื่องเหล่านี้มันคิดไปเกินกว่าเหตุทั้งนั้นหรือถ้ายังเป็นโสดเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่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 มันก็จะสรรหาสิ่งที่จะผูกมัดให้เราติดมั่นเข้าทุกทีเราเกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตเราไม่เคยฝึกหัดสมาธิภาวนาเลยมีแต่ปล่อยให้จิตไปตามอารมณ์ของกิเลสเพิ่งมาฝึกเดี๋ยวนี้เองเมื่อมาภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเพื่อให้จิตมันมารวมอยู่ที่พุโทโธจิตมันจึงดิ้น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 หรือเราไม่สแสวงหาก็จะเสียโอกาสอันมีค่ามหาศาลแล้วก็เอาจิตไปจดจ่ออยู่เฉพาะสิ่งนั้นแทนคำบริกรรมพุทโธส่วนพุทโธมันหลีหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้กว่าจะรู้ว่าพุทโธหายไปแล้วมันก็สายเสียแล้วจึงว่าจิตนี้เป็นของดิ้นรนกระเสือกกระสนรักษาได้ยากเหมือนกับลิงอยู่ไม่เป็นสุข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 ผู้ภาวนาแล้วจะรู้ด้วยตนเองหากว่าเรายึดเอาพุโทโธพุโทโธมาไว้ที่ใจแล้วเอาสติควบคุมจิตให้อยู่กับพุโทโธอันเดียวภัยอันตรายทั้งปวงจะไม่มาแผ่วผ่านขอให้เชื่อมั่นในพุโทโธจริงๆเถิดรับรองว่าไม่มีอันตรายแน่นอนเวน้นศีรกรรมเก่าที่เขาเคยได้กระทำไว นั้นเป็นของสุดวิสัยแม้พระพุทธเจ้าก็าป้องกันให้ไม่ได้ผู้ภาวนาทั้งหลายแร ก, แรกๆศรัทธายังอ่อนไม่ว่าจะบริกรรมอะไรก็แล้วแต่เถอะจะต้องถูกกิเลสเหล่านี้รบกวนด้วยกันทั้งนั้นโลกิเลสเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานของโลกและพื้นฐานของจิตเมื่อเรามาภาวนาทำจิตให้เป็นอันเดียวเท่านั้นแหละ กิเลสเห็นว่าเราจะหนีจากมันกิเลสเหล่านั้นมันจะมารุมล้อมไม่ให้เราหนีจากโลกนี้ได้ผู้มาเห็นโทษของมันว่ามันร้ายแรงอย่างนี้และทําใจให้กล้าหารปลูกศรัทธาให้หนักแน่นมั่นคงคิดเสว่าเราได้ลงเชื่อกิเลสมาหลายพบหลายชาติแล้วคราวนี้เราจะยอมเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้า เอาพุโทโธเป็นที่พึ่งหลักแล้วตั้งสติให้มั่นคงทำใจให้แน่วแน่ในพุโทโธให้เต็มที่ยอมสละชีวิตเพื่อบูชาพุโทโธไม่ให้จิตหนีจากพุโทโธเมื่อเราตั้งปณิธานไว้อย่างนั้นแล้วจิตก็ดิ่งเข้าสู่อารมณ์เป็นหนึ่งเข้าถึงสมาธิได้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 และจำอารมณ์อันนั้นได้อย่างแม่นยำที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้ล้วนเล้าแต่จิตถอนออกมาจากอารมณ์นั้นทั้งนั้นในขณะจิตกำลังรวมอยู่นั้นใครจะพูดจะทำอะไรไม่รับรู้ทั้งหมดเราต้องฝึกจิตให้เข้าถึงสมาธิอย่างนี้อยู่ บ, บ่อยๆเพื่อให้ชำนิชำนานแต่อย่าไปจำอารมณ์เก่าอย่าอยากให้เป็นอย่างเก่า มันจะไม่เป็นอย่างนั้นซ้าจะยุ่งใหญ่เป็นแต่เราคอยพิจารณาพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้จิตอยู่ในคาบริกรรมนั้นก็แล้วกันมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันจิตเป็นสมาธิใหม่ๆเมื่อมันเป็นอีกมันจะไม่เป็นอย่างเก่าแต่ก็ช่างมันมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมัน